สถานที่บริเวณการระดับการเรียนแลการระดับพ่อต่างๆนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจว่ามีความหมายทั้งสิ้นเพราะว่าการเรียนสมาธิต้องใจเย็นไม่ใช่ใจร้อนคณนะรุ่นนี้ใจร้อนไปหน่อย ยังไม่ทันได้ถึงเรื่องจิตใจก็ถามเรื่องจิตใจไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคนนั้นเขาวังบ้างเดี๋ยวคนนี้เป็นอย่างนี้บ้างแต่ก็ดีกล่าวหน้ารวดเร็วอย่างไรก็ตามการสอนสมาธิที่หลวงพ่อได้ดาเนินการสอนในครั้งนี้ต้องการความละเอียด และต้องการขั้นตอนอไปจงกระทั่งตั้งแต่ต้นอย่างที่จะอธิบายในวันนี้ก็เรื่องของสถานที่เพราะว่าการจะเตรียมงานต่างๆนั้นถ้าเราไม่าทาไปตั้งแต่ต้นหรือไม่เตรียมให้พร้อมการทำงานก็สำเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้น เรื่องของสมาธิยิ่งเพ็เนีเรื่องของการละเอียดเมอละเอียดก็ต้องมีข้อความเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตอนที่จ ะ, ะกล่าวในวันนี้ก็คือสถานที่เราคงจะได้อ่านแล้วข้อหนึ่งหนึ่งจุดสามเรื่องของสถานที่ได้เขียนเอาไว้ในเล่มนี้อย่างสมบูรณ์มี เหตุการอ้างอองอะไรต่างๆเยอะในที่นี้แต่ว่าการจอธิบายวันนี้นั้นต้องการเน้นถึงว่าการมีบริเวณสถานที่นั้นมีความสําคัญอย่างไรถ้าเราจะคํานึงถึงการศึกษาต่างๆที่มีการศึกษากันอยู่ในปัจจุบันจะเป็นโรงเรียนอนุบาล จะเป็นโรงเรียนชั้นประถมมัธยมหรือจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนอาชีพการศึกษาต่างๆเราจะเห็นเขาสร้างสถานที่บริเวณมากแล้วก็เลือกว่าสถานที่นี้ควรเป็นโรงเรียนอนุบาลสถานที่นี้ควรเป็นโรงเรียนมัธยม เีาควรเป็นมหาวิทย์อย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อประโยชน์ในการที่นักเรียนมาเรียนจะได้มีการคล่องตัวแล้วก็แสดงที่จะศึกษาอะไรต่างๆก็สามารถจะกระทำได้เมื <c oughs> อเลยไปเที่ยวอินเดีย ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าอมหาวิทยาลัยสันตินิเกตันอาคารนักเรียนต้องการเรียนตรงไหนนักเรียนยกกระดานดําไปตรงไหนแล้วอที่ตรงนั้นอยู่ใกล้เมืองกันกาตาและสถานที่นั้นปีหนึ่งมีฝนสองฝนเพราะฉะนั้น แค่เลยไม่ต้องทำหลังคามีต้นไม้ใช้ได้แล้วยกกระดานไปก็นักเรียนต้องการเรียนตรงไหนเอากระดานดำไปตั้งเสร็จแล้ว <c oughs> เหตุที่มหาวิทยาลัยนี่เกตันจะเกิดขึ้นนั่นมีเรื่องเล่าว่ามีเศรษฐีคือเศรษฐีในเมืองอินเดียนี่ถ้ารวยก็รวย ล้นเหลือถ้าจนก็จนล้นเหลือเหมือนกันในวันหนึ่งเศรษฐีนั้นเขาไปนอนอยู่ที่เกตันนี่แหละ <c oughs> แล้วก็มีจนไอ้อจนอินเดียนี่มันไม่ใช่จนธรรมดามันไปสี่หนึ่งหลายร้อยคนเคเข้าไปปล้นก็ตั้งใจฆ่าเศรษฐี การที่จะฆ่าเศรษฐีนั้นมีเหตุอยู่สองประการประการที่หนึ่งต้องการลบล้างหนี้ประการที่สองอต้องการทรัพสมบัติแต่ว่าแจ่มเพเอินเศรษฐีนั้นไม่ได้อยู่ในบ้านแกไปนอนอยู่ที่สวนของแกที่สันตินิเกตันเนี่ย <c oughs> พวกจอนก็บุกเข้าไป แกเลยฆ่าแกไม่ได้แกก็รอดตายอย่างวุดวิทเมื่อแกรอดตายแล้วแกก็คิดว่าเอ๊ะชีวิตนี้ถ้าหากว่าเราตายไปซะแล้วนี่อะไรก็ไม่ได้ทาเราจะอุทิศที่แห่งนี้แล้วก็ให้เงินจำนวนหนึ่งให้คนที่มาเรียนที่สันตินิเกตันเนี่ยให้ถึงปริญญาเอกหมายความว่าเป็นมหาวิรัยสมบูรณ์แล้วก็ ให้เงินจำนวนที่พอแก่การที่จะดำเนินการโดยการที่บุคคลไปเรียนที่มหาวิยลัยนี้ไม่ต้องเสียเงินเมื่อเรียนจบแล้วก็ยังมีทุนที่จะกลับออกไปประกอบอาชีพด้วยคนเพียงใดนิยมไปทีมหาวิทยาลัยต่อมามหาจามรคารทีไปอังศีลาเลิก ให้แก่มหาวิทยาลัยสันตินิเกตันนี่ <c oughs> จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยมาจนกระทั่งถึงแบบนี้ทีนี้หันมาอาพูดถึงเรื่องอสถานที่ที่เราจะพากันทําสมาธิการที่เราจะทําสมาธินั่นจิตมุ่งหมายต้องการอยากจะให้เกิดความสงบทํายังไง ความสงบจะเกิดขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของสมาธิถ้าหากว่าบริเวณสถานที่ไม่อำนวยให้การทำความสงบก็เดือดร้อนอย่างเรามานั่งสมาธิเขือแต่เขือแตนอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องกวนกวายและถ้าหากว่า ยุงมันกัดยุงกรุงเทพอ่ะมันไม่เหมือนยุงบ้านนอก <c oughs> ยุงกรุงเทพมันดูแล้วมันไม่กัดตัวเดียวมันกัดหลายตัวด้วย <c oughs> เมื่อสมัยที่หลวงพ่อมาตั้งวัด ธ, ธรมมงคลใหม่ๆก็มายกสลามุงจากแล้วก็พาพระเนนและโยมนั่งสมาธิ ไอยงเท่เนี่ยมันไายกาดมากแล้วมันเยอะด้วยมันกัดทีเดียวเนี่ยเรามองดูนี่เกือบไม่เห็นแขนมันอะไรกันอย่างนี้เราจะทรมานไปคงจะไม่ดีแน่ก็เลยสั่งทํามุง้งแล้วมุ้งก็ใหญ่ยอมจําสินก็มาอยู่ในมุง้งหลวงพ่อก็อยู่ในมุง้งพระก็อยู่ในมุง้ง เขาก็เลยเอาไปโจดจันกันบอกว่าหลวงพ่อวัดธรรมมงคลอยู่มุงเดียวกับโยมอุบาสิกาวเ่ <Right. S 1> เขาจะว่าไงาก็เขาก็ต้องว่าเพราะว่ายุงไม่กัดเราเสอย่างว่าไงาก็ว่าไปในที่สุดก็ต้องทำสาลาขึ้นมาแล้วก็ทำมุงลวดทีนี้ก็นั่งสมาธิได้อที่พูดจัางนี้เพื่อให้รู้ว่า อาการทรมานตัวเราเนี่ยดีถ้าทําสมาธิต้องทรมานตัวเราแต่ว่าไม่ใช่ทรมานแบบให้ยุงกัดหรือว่าทรมานแบบที่ไม่สมควรจะทรมานเพราะฉะนั้นอย่างบริเวณสถานที่นครธรรมที่หลวงพ่อได้จัดขึ้นมานี่อันนี้เราจัดขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ และเมื่อเวลาผู้ที่จะมาทำสมาธิก็มีความสะดวกสบายนี่คือบริเวณที่จำเป็นที่ผู้ที่จะทำสมาธิอย่างที่ห <c oughs> ลวงพ่อได้พูดไว้ว่าสมาธินั้นจะต้องไปอยู่ในปา่า <c oughs> อยู่ในป่าลึกที่เล่าไว้ในที่นี้ก็คือว่า <c oughs> ที่ท <c oughs> ี่ด อ, อ หกสิบองค์ไปลาพระตาแฝกฝึกสมาธิที่เพื่อที่จะไปฝึกสมาธิกันพระสารีบุตรท่านนั่งสมาธิเหมือนกันท่านก็รู้ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับพระหกสิบองค์นั้นท่านก็ให้เน้นน้อยองค์หนึ่งในน้อยองค์นั้นชื่อว่าสังกิจจาสังกิจจาหน้านายุเจ็ดขวบเท่านั้นเองแต่ว่าเน้นน้อยนั้นสําเร็จแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อพระภิกษุทั้งหกสิบองค์นั้นไปครั้งแรกก็จะไม่ยอมรับเนรเพราะกลัวเกิดการกังวลแต่เนนก็บอกว่าอไปเพื่อที่จะไปดูแลพระเมื่อพระไปอยู่ในที่นั้นก็มีโยมไปดูแลให้อาหารเป็นอย่างดีก็มีคนหนึ่งเข้าไปอาศัยพระทั้งหกสิบองค์อยู่เมื่อเข้าไปอาศัยพระหกสิบองค์ เขาก็อ้วนหมีผีมันพาอ้วนหมีผีมันแล้วก็อยากจะไปเยี่ยมญาติเขาก็เดินทางลัดป่าไปพอเดินทางลัดป่าไปแล้วพวกโจรเนี่ยมันคอยดักเพราะว่าวันนี้ถ้าใครผ่านทางมันมามันก็จะจับฆ่าฆ่าแล้วก็ปาดคอแล้วก็เอาเลือดเนี่ยบูชาเทพเจ้าอยอมคนนั้นก็ไปพอดีมันก็จับ พอจับเสร็จแล้วถามว่าจะทําไมบอกว่าจะเชือดคอแก่เอาเลือดดูชาเอาเทพพระเจ้าแมนก็เลยแก้ตัวบอกว่าเลือดฉันเนี่ยมันไม่ดีหรอกเพราะฉันไปกินเดนพระถ้าหาว่าจะให้เทพพระเจ้าเขาชอบใจนั่นน่ะให้เอาเลือดพระสิไม่ได้กินเดนใครอในที่สุดโจรมันก็เชื่อมันก็เลยมานําเอามาที่พระ ถ้าทั้งหกสิบองก็ยกให้องค์หนึ่งราเทระก็บอกว่าลูกน้องว่าฉันจะไปลูกน้องก็บอกว่าเอฉันก็จะไปให้โจรมันฆ่าทันใดนั้นเนนก็บอกว่าผมมาในเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นทุกองค์ไม่ต้องไปผมไปเองเนนสังกิ จ, จะก็เลยตามโจรไปเมื่อไปถึงโจรก็มัดมือไายหลัง มันก็เอาดาบฟันลงไปที่คอเนนไม่เข้าแอบดาบนี่กูเคยฟันต้นไม้ขาดเลยเนี่ยฟันเนนไม่เข้ามันก็เอามาฟันอีกครั้งที่สองพอครั้งที่สองเนี่ยนอกจากไม่เข้าแล้วยังงอด้วยมันก็เอามาตีให้ตรงใหม่ครั้งที่สามฟันครั้งที่สามดาบเลยพับเลยทีนี้เรียกว่าดัดไม่ได้ไอ้พวกจอมันก็เลยคิดว่า ดาบนี่มันยังเห็นบุญคุณเนนเราเป็นคนเนี่ยมันไม่เห็นบุญคุณได้อย่างไรยอมแพ้โจรทั้งห้าร้อยคนก็เลยขอบวชเนนอายุเจ็ดขวบพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เป็นอุปชาแล้วก็อนุญาตให้เป็นพระในวันนั้นแล้วก็ให้บวชพวกอโจรทั้งห้าร้อยได้สําเร็จอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น บริเวณสถานที่ถึงแม้ว่าจะเข้าไปอยู่ในปา่าหรืออยู่ที่ไหนก็ตามมันก็จะต้องดูว่าเป็นสปายะแค่ไหนหรืออย่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใต้โคนต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วก็มีพวกกระสัตรเนี่ยเขาไปเที่ยวพปกนิกกันพอไปเที่ยว ไปไปก็มีกษัตริย์คนหนึ่งเขาก็มีคู่กษัตริย์คนหนึ่งเขาก็มีคู่อยู่แล้วแต่ยังมีกษัตริย์คนหนึ่งไม่มีคู่เอาหญิงโสเภณีไปเป็นคู่ผู้หญิงมันก็เลยหนีพอหนีแล้วก็ตามพอตามแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใต้คนต้นไม้เม่เจอพระเจ้าอยธาใต้คนต้นไม้ก็ถามว่า ถแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญเห็นผู้หญิงเดินมาทางนี้ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าพวกเธอเนี่ยต้องก ะ, ะหาผู้หญิงดีหรือหาตนดีกษัตริย์ก็เลยหาตนนั่นแหละดีพระพุทธเจ้าก็เลยเทศให้ได้สําเร็จทั้งสามสิบคนกษัตริย์นั้นก็ได้สําเร็จบวชเป็นพระไปเพราะฉะนั้นบริเวณสถานที่ต่างๆนั้นะเออล้วนแต่เป็น บริเวณที่สามารถทําให้เกิดสมาธิได้หากว่าสถานที่นั้นมีกัลยาณหรือหากว่าสถานที่นั้นมีครูบาอาจารย์หากว่าสถานที่ดีไม่มีอาจารย์ถึงจะดีแค่ไหนก็ไม่บรรลุผลตามความประสงค์และอย่างนั้น เมื่อสถานที่ดีแล้วก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดีด้วยหลวงพ่อไปพบหลวงปู่มั่นใหม่ๆเมื่อเดินเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกพอเราเหยียบย่างเข้าไปในบริเวณวัดเท่หลวงอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเสียวเรียกว่าเสียวทั้งตัวเพราะว่าได้ยินเขาวว่า ท่านสามารถรู้จักจิตใจคนด้วยเมื่อเวลาเดินไปถึงเนี่ยออพอเราเหยียบย่างเข้าไปเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิก่อนแล้วเพราะว่าความเชื่อมั่นความเชื่อถือสมาธิเปินจริงเกิดขึ้นนับแต่วินาทีที่ได้เหยียบเข้าไปในบริเวณนั้นเมื่อไปถึง ท่านก็ให้คนเนี่ยเนนคนหนึ่งออกมารับรับแล้วก็เอาเข้าไปที่กุฏิเรามองดูกุฏิแล้วเราก็ตกใจหมดตกใจตรงไหนกุฏินั่นสะอาดไม่มีหยากเกือ้อไม่มีอะไรอยู่ในป่านะและเวลาที่จะขึ้นไปกุฏิผ้าเช็ดเท้าก็คับเป็น ท่านบอกว่าวันนี้มีการแสดงธรรมหลวงพ่อก็นึกว่าวันนี้เราก็คงได้ฟังเทศสักนิดเพราะว่าเราเดินมาตั้งยี่สิบห้ากิโลก็เหนื่อยหลวงพ่อก็ขึ้นไปไปถึงก็กราบพระอาจารย์ก็มากันเต็มหลวงปู่วัลหลวงปูเทศหลวงปู่คงมาของหลวงพ่อ นั่งกันเต็มหมดหลวงพ่อก็เป็น อ, องค์ล็กที่สุดเพราะว่าตอนนั้นยังอายุยี่สิบสองเมื่อไปถึงแล้วนึกว่าท่านคงจะเทศด้วยมันระยะก็คงจะสักหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างมาก <c oughs> แต่ว่าเมื่อท่านลงเทศลงไปแล้วเป็นอันว่าผิดถนัด เวลาที่ขึ้นไปนั่นเป็นเวลาสองถุ่มท่านเทศถึงเที่ยงคืนแป้งเลยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่ชั่วโมงอาทีแรกมันก็เมื่อยเพราะว่าเราเดินเต็มที่แล้วแต่พอท่านเทศไปเทศไปเทศไปเทศไ ป, ไ, ปไม่รู้เมื่อยมันหายไปไหนก็หมายความว่าทดสอบได้รับการทดสอบในขั้นตน้น เพราะว่ า, วาอุตสาห์เดินจากจังหวัดจันทบุรีจนกระทั่งถึงจังหวัดสกล น, นครใครลองคิดเปิดแผนที่ดูก็ได้ออกไปตั้งแต่ตะวันออกแล้วก็ไปถึงสกล น, นครก็คือภาคอีสานใช้เวลาสามเดือนเดินไปหาหลวงปู่มั่นที่เดินไปหาหลวงปู่มั่นนี่เพราะ อะไรเพราะต้องการอยากได้ธรรมะจากท่านแม้จะว่าลำบากแค่ไหนก็ต้องไปทำไมถึงต้องเดินสมัยนั้นสงครามโลกครั้งที่สองถนนรถไฟถูกทิ้งระเบิดถนนรถยนต์ไม่มีก็ต้องเดินด้วยความมานะและความบากบั่นอันนั้นท่านก็เทศสีชั่วโมงให้สมใจใอยากมีศรัทธาดีนก เลองดูสิพอเวลาเทศจบแ ล, แล้วแทนที่ว่าเราจะได้กลับไปพักท่านบอกว่าวิริยังมานี่เรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วทุกคนกลับไปให้หมดแล้วท่านก็อ น, นอนลงบีบเ <c oughs> <c oughs> ออวิริยังบีบ แล้วก็บีบธรรมด า, าลูกศิษย์ที่จะไปบีบพระอาจารย์เนี่ยบีบนวดนี่ถ้าท่านไม่บอกให้เลิกนี่เลิกไม่ได้บีบอยู่นั่นแหละอ่าทีนี้เราก็นึกว่าคงจะให้เราบีบสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับเที่ยงคืนแล้วนี่ตีหนึ่งก็แล้วตีสองก็แล้วตีสามก็แล้วเอ้นี่มันยังไงกันทัางก็นอนแช่เราก็บีบไปอ่า ตีสีตีสี่เนี่ยนี่มันตีสีแล้วเนี่ยอ้าวตีสีครึ่งแล้วไก่ขันยังไม่ให้กลับอีกพอเราคิดไปแอนเนี่ยเราก็เป็นพระผ้าของเราเนี่ยถ้าฮะก็อยู่ที่กุฏิเดี๋ยวก็เป็นอาบัตเรานึกเท่านั้นละท่านลุกขึ้นทันทีเลยนั่งพอท่านนั่งท่านก็บอกเนี่ย เราได้นิมิตไปอท่านแกงพูด <c oughs> หรือว่าท่านนิมิตจริงอเราได้นิมิตวิทยังไว้เราได้นิมิตเราก็ยกมือไหว้ท่านอาจารย์นิมิตอะไรครับเราได้ลองเท้าคู่หนึ่งแล้วลองเท้าเนี่ยมันไม่เหมือนลองเท้าคนอื่นเข้ามันไม่แหว่งตรงกลางอทั้งส้นทั้งหัวนี่มันเท่ากันกลับได้ท่านหลัง เป็นอันว่าคืนนั้นท่านคืนเราไม่ได้นอนแลวกลับมาแล้วท่านก็นให้เป็นการบ้านอันนี้เอาไปแปลเอาเองว่างั้น <c oughs> สำหรับวันนี้เราก็าพูดกันถึงเรื่องบริเวณสถานที่มันก็เลยกลายเป็นว่าหลวงพ่อก็เล่าประวัติย่อๆให้ฟังนิดหน่อยเพราะว่าบริเวณสถานที่นั้น มีคำที่เขียนเอาไว้ให้แล้วถ้าหากว่าใครยังไม่ทันได้ก็ไปซีหลอกเอาในที่ข้อเขียนไว้ที่นี่เนี่ยจะเป็นข้อพิสดาลแต่ว่ า, าส่วนยอ่อนี้จะมาอยู่มาอยู่ใบนี้เพื่อให้ยอ่อข้อความหรือว่าจะยอ่อเองก็ไม่ว่า แต่ว่าอันนี้ได้ย่อไว้ให้ก็จะพูดต่อคงจะต้องไม่ฟังเสียงละครละพูดต่ออีกสักนิดว่าเมื่อท่านบอกให้กลับไปหลวงพ่อก็กลับกุฏิรุ่งเช้าขึ้นมาออกบินทบาตเพอออกบินทบาตเสร็จแล้วท่านก็บอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เธอต้องมาอยู่กับฉันปฏิบัติอย่างใกล้คิดนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อก็เลยกลายเป็นทอศอพระอาจารย์ใหญ่ ห, ญหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่โอหลายหลวงปู่ถ้าใครมีปัญหาอะไร ต้องผ่านหลวงพ่อหมดไม่ผ่านเข้าไม่ได้ <c oughs> เป็นทศแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ต่างๆต่อมาภายหลังจึงเกรงใจหลวงพ่อและเมื่อเวลาที่หลวงพ่อไปอยู่กับท่านหลวงพ่อปฏิบัติไม่ได้ให้ขาดตกบกคล่องเวลาทีา่ท่านใช้กระโถน ท่านไม่ใช่เอกชนเคลือบเนี่ยเขาให้ก็ไม่ใช่เอากระบอกไม้ไผ่เนี่ยไปตัดแล้วกระโถนนั่นนะ่ะท่านปัสสาวะใส่พอปัสสาวะใส่แล้วเนี่ยอปัสสาวะเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปอะ่ะในไม้อะ่ะล้างมันก็ไม่หมดกลิ่นพอเวลาตอนเช้าขึ้นมาเนี่ท่านปัสสาวะใส่อกระบอกไม้ไผนะ่นั่นเราต้องเอากระบอกไม้ไผ่เนี่ยไปล้าง วันนั้นก็ไปล้างเอาสบู่ถูอย่างดีเสร็จแล้วก็ไปตากแดดด้วยแล้วก็ไปวางไว้กลิ่นมันก็ไม่หมดท่านก็เรียกว่าวิริยังมานี่มานี่นะครับนี่เธอแค่ล้างปัสสาวะยังไม่หายกลิ่นแล้วแกจะไปปฏิบัติให้สูงกว่านี้ได้ยังไงเราก็แย่ yeah. ทีนี้กับที่ลังเมาส์ก็ อฟอกสบู่สามเทเอาไปาเราก็ดมมันก็ไม่หมดกินโดนอีกแล้วแน่ๆเชวันนี้ทางกขาเรียกมาอีกนี่ครั้งที่สองแต่งั้ครั้งที่สามอะ่ะก็จะอยู่กับเราไม่ได้แล้วโทษอันนี้คือการทดสอบครั้นแรกก็ไปนั่งสมาธินะทีนี้เราก็นั่งสมาธิเข้าสมาธิแล้วว่า ไอการที่จะล้างกระบอกไม่ไผ่ให้มันหมดกลิ่นปัสสาวะนี่เราจะทำยังไงนั่งขัดสมาธิเลยอพอนั่งไปนั่งมาเอ๊นึกได้วันนี้คงสำเร็จแน่แล้วก็ไปเอาขี้เท่าขี้เท่าเนี่ยเอามาละลายน้ำพอละลายน้ำแล้วแช่สามชั่วโมงอพอแช่น้ำสามชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ามาดม มันยังเหลือนิดหนึ่งเราก็เอามาแช่เราก็เอามาแช่อีกเป็นครั้งที่สองพอแช่เสร็จแล้วก็ทีนี้เอาสบู่เข้ามาคนด้วยแล้วมันมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าต้นเมืดก็เอามาตําพอตําเสร็จแล้วเอามาดมดูมันหอมก็เลยพอเวลาล้างที่เท่าเสร็จก็เอา ไอ้น้ำเหมิดเนี่ยลงแค่พอน้ำเหมิดแค่เสร็จเราก็ตากแดดพอตากแดดแห้งเอาสบู่ฟอกอีกทีหนึ่งทีนี้ก็ดมหอมเลยเอาไปวางทางแกเรียกมาวิยังมานี่โดนอีกอยู่ อยู่หรือไปกันกับวันนี้แหละ <c oughs> ใช่ได้ <c oughs> โอเค <c oughs> อยู่ก็เราต่อไปแล้วก็คงจะมีอะไรต่อพวกนี้เอาหม่นะ <c oughs> เพราะนั้น เ, เรื่องของบริเวณสถานที่เนี่ยใครจะเอาก็สิลอกเอาอันนี้ใบนี้ไป <c oughs> ก็จะได้ข้อความที่ชัดเจนขึ้นแอะมันทำไมเร็วนักนะไม่น่าเร็วทุวนี้นะในระยะนี้ก็คงจะอยู่ในอากาศบ้างในสถานที่บ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะเคลีย เ, เพื่อที่จะเคลียการทำสมาธินี่ให้เรียบร้อยเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อ เอาตัวเองรอดแต่ว่าเราจะเรียนเพื่อไปสอนคนอื่นเพราะฉะนั้นยังไงต้องเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงเรื่องของสมาธิก็คงจะไปเป็นไปอีกหลายวันก็ขอให้นักศึกษาทุกคนใจเย็นๆต่อไปก็คงจะเป็นการซ้อมนักศึกษากัน จะได้แสดงความกระหารในการโต้อตอบถามอะไรต่างๆเมื่อวานนี้หมดไปถึงพัดนิดหน่อย <c oughs> ขอเชิญถามปัญหาตามอัธยาศัยก็ไม่ว่าเราจะถามยังไงก็ถามได้นอกเรื่องบางนิดๆก็ไม่เป็นไรขอเชิญกัญจนา ่รกราบด้าสก้ารหลวงพ่อค่ะเธอสิจอยากจะถามว่าจากการนั่งสมาธิมาสามวันที่ผ่านมานะคะคือก่อนหน้านี้เคยฝึกนั่งแล้วก็คือช่วงช่วงแรกๆจะวุ่นวายหน่อยแต่ตอนหลังๆก็จะสงบดีแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องน้ำลายแต่สามวันที่ผ่านมานั่งแล้วน้ำลายมันจะออกมาเยอะมากก็สงสัยว่าเป็นเพราะตั้งใจไปหรือเปล่าแล้ววิธีแก้นี่คือจะให้กลืนหรือว่าอมไว้ แต่ ว, ว่ามันรบกวนรบกวน่วมมันจริงไม่เอาสถานที่มันบวนไม่ได้คุดเอเอ่อน้ำลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจนกระทั่งบัรนี้หลวงพ่อก็ยังออกอยู่น้ำลายอ่ะเกืนมันหน่อยแล้วก็พุดโธไปความจริงนั้นถ้าเราจะ เ<ม>กินเข้าไปหรือว่าเราจะร่อนออกทิ้งก็ไม่มีปัญหาแล้วเราก็ตั้งจิตใหม่เราไม่ต้องเสียดายเวลาคือเคยทำค่ะแล้วมันก็ออกมาใหม่มแล้วมันก็เยอะตลอดบางทีถ้าหากว่าน้ำลายที่มันมากนี่มันอาจจะเกิดในหลายๆกรณีเช่นเรารับประทานอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่า บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของตมต่ำน้ําลายอะไรอย่างนี้ย <c oughs> คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตใจไม่เกี่ยวกับน้ําลายถ้าหากว่ากืนซะได้แล้วก็นั่งต่อไปถ้าหากว่ายังไม่หมดเราก็อาจจะวนได้แล้วก็เราทําสมาธิต่อไปก็ไม่มีปัญหาจบ ต่อไปขอเชิญคุณกิติศักดิ์วิวัฒนาวงศ์574ก้าพมาสักการหลวงพ่อครับอ่าพผมผักเรียนถามจักที่ก้าผมได้ปฏิบัติสมาธิมาช่วงหนึ่งในการนั่งไปจะทำให้ให้เราเห็นภาพต่างๆเนี่ยจะมีวิธีการแก้อย่างไรได้บ้างแล้วก็มันเกิดจากอะไรครับ อการนั่งสมาธิเห็นภาพนั้นเราไม่ต้องแก้เพราะว่าเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ยึดถือในภาพนั้น <c oughs> เพราะว่าภาพนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นมาจากฟิล์มที่ใจของเราเนี่ยได้ได้ถ่ายเอาไว้พอเวลาจิตมันเข้ารวังเนี่ยภาพนี้มันจะออกมาในภาพเหล่านี้นั่นเป็นกิริยาจิตชนิดหนึ่ง แต่เราก็วางเฉยเพราะว่าการเห็นภาพนั้นเป็นลักษณะอาการกิริยาของจิตเราจะต้องคำนึงถึงว่าการทำสมาธินั้นเราไม่ได้มีความประสงค์เช่นนั้นเราประสงค์เพื่อที่จะให้เกิดกำลังจิตนั้นเป็นการถูกต้องเพราะการทำสมาธิครั้งใดเนี่ย เราก็จะได้พลังจิตอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการจบคุณเกลียงไกรนี่คงไม่ได้มานะไม่ได้เซ็นไว้เกลียงไกรของข้าอาริย อ, องค์สกรก็ขอเลยมาเหรอเออคนไม่เซ็นกลับมาคนเซ็นกับไม่มากับน <c oughs> ักวรัาการท่านอาจารย์ ที่ก็ถามเรื่องเกี่ยวกับผวังผวังที่เป็นธรรมชาติกับผวังที่สร้างขึ้นมาเองหลวงพ่อบอกว่าการเข้าผวังนั้นให้ถือว่าเป็นประตูทางเข้าออกเราจะรู้ได้ยังไงว่าการเข้าออกประตูนี้จะสร้างสติอย่างไรครับออันนี้เกิดจากความชํานาญการเข้าผวังอที่เรียกว่าเข้าผวังธรรมชาตินี้เขาจะ เป็นเน่ตามธรรมชาติจะไม่มีความชํานาญว่าจะทําอะไรได้ส่วนพวังที่สร้างขึ้นนี้คือการพวังที่เกิดขึ้นจากสมาธินี่จะเป็นพวังที่ทําให้เกิดความชํานาญได้เพราะฉะนั้นเอาการที่จิตของเราเข้าสู่พวังนั้นเราถือว่าดีแต่ว่าเราไม่ต้องการ ที่ตรงนั้นเราต้องการผ่านให้เกิดความชำนานเพราะว่าข้างในประตูนั้นยังมีอะไรอีกเยอะที่เราจะได้ระวังสร้างขึ้นกับระวังธรรมชาติเป็นอย่างนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอเชิญคุณเกรียงพิพัฒน์ปิรันธนะดิโลก ห้าเจ็ดตัวตรัช ก, การธรรมจารย์ครับผมไม่มีคําถามแต่ว่ามีคําตอบที่พบด้วยตัวเองอยากจะเล่าให้เพื่อนนักศึกษาฟังนะฮะคือระหว่างที่ฝึกสมาธิสองวันเนี่ผมพบว่าใจมันจะฟุ้งอยู่เรื่อยแล้วจะคิดเรื่องงานมักจะเป็นเรื่องที่ข้างค้างอยู่ mm hmm. ก็มานึกถึงหลังจากหลังจากนั้นสักวันหนึ่งผมมานึกได้ว่า ในคำลามีคำหนึ่งที่อ่าเหตุผลว่ามีข้อหุกรณียะคือมีอะไรข้างค้าต้องทำก็เลยตัดสินใจว่ามีสิ่งที่ค้าต้องทำจะให้เสร็จจะได้เข้าสมาธิได้ง่ายผมเข้าใจถูกไหมฮะอ่าเข้าใจถูกแล้วน่้เขาเรียกว่ากุสโลบายคือจิตของเราเนี่ยมันจำเป็นต้องมีกุสโลบายที่จะ แนะนำตัวของเราอันนั้นเรียกว่ากุสโลบายเมื่อเวลาที่เราทำสมาธิอย่างที่คุณ เ, เกรียงพิพัฒน์พูดนั้นอันนี้ก็คงจะมีหลายๆายคนเมื่อนั่งแล้วก็ได้แต่นึกแต่คิดไปแต่ขอให้กับใจทุกคนว่าแม่ การที่เรานั่งสมาธิเราต้องนึกต้องคิดไปเช่นนั้นใช่ว่าจิตเราจะไม่เป็นสมาธิแต่จิตเราได้เป็นสมาธิเหมือนกับคนขับรถพอจับพวงมาลัยเขาก็เป็นสมาธิแล้วทั้งที่เขาก็คุยจ่อไปแต่ว่าเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิจึงได้แบ่งออกสองประเภทสมาธิตื่นและสมาธิลึก ซึ่งเวลานี้ยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะอธิบายต่อไปขอเชิญคุณกเสมพงพันอุบลห้าเจ็ดเก้าครับคราบน ominated ท่านอาจารย์ครับผมมีมีมีข้อที่สงสัยจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการการนั่งสมาธินะครับคือท่านอาจารย์ส อ, อนเกี่ยวกับเรื่อง การการตั้งกายดังทางภายนอกแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ตอนที่เราจะกําหนดจิตเพื่อตั้งเป็นสมาธินี่อยากจะขอเรียนถามเพื่อให้ช่วยอธิบายให้ให้ฟังสักทีหนึ่งครับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นอ่าเกี่ยวกับการทําสมาธิในเบื้องต้นคือการบริกรรมการบริกรรมแล้วก็คือการตั้งใจตั้งใจนี่ก็หมายความว่าเราจะตั้งไว้ที่หน้าของเราจมูกหรืออกเสื้องซ้าย อันนี้เป็นที่ตั้งเมื่อเราตั้งที่ตรงไหนก็ตั้งที่ตรงนั้นนึกพุทโธเนี่ยตัวนึกพุทโธจะมีอยู่พอตัวนึกพุทโธเช่นอย่างตัวนึกพุทโธจะอยู่ที่หน้าผากก็เอาไว้นี่ถ้าตัวนึกพุทโธจะอยู่ที่หน้าอกก็เอาไวน้นี่ถ้าตัวนึกพุทโธจะอยู่ที่ท้องน้อยก็เอาไว้คือถ้าจะกําหนด ให้อยู่ตรงไหนแล้วก็ให้กําหนดอยู่ตรงนั้นไปตลอดอันนี้คือวิธีในเบื้องต้นที่จะทําใจให้หยุดในเบื้องต้นคาะขอบคุณท่นานอาจารย์ครับต่อไปขอเชิญคุณขานิ t ฐาการดิบการหลวงพ่อค่ะสิทธิ์การการสร้างสมาธิโดยการเรียนจงกรมสําหรับสิทธรู้สึกว่าวิธีนี้จะไม่ค่อยได้ผลนะคะถ้าสิทเจ็ปฏิบัติ นั่งสมาธิอย่างเดียวจะเป็นอะไรไหมคะคำว่าการนั่งสมาธิได้ผลแต่ว่าเดินยังคมไม่ได้ผลถ้าจะนั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมนั่งสมาธิอย่างเดียวเดินยังลมไม่เดินครับผมอาจจะเดินค่ะแต่น้อยหน่อยะะอใช้เวลาน้อยกว่าการทาสมาธิได้ไหคะก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่า การเดินจงกรมนั้นเขาต้องการคือจุดประสงค์ให้ฟังจุดประสงค์ให้ดี จ, จุดจะสงค์ของการเดินจงกรมนั้นก็คือต้องการที่จะทำความชำนาญในการที่เราจะไปปฏิบัติหน้าที่อาจจะรับราชการหรืออาจจะทำธุรกิจอะไรต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ในการที่จะทำงานเหล่านี้เนี่ย จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิตื่น <_ t une> เพราะฉะนั้นเวลาเดินจงกรมเนี่ย <_ t une> ไม่จําเป็นต้องไปทําให้จิตมันนิง่ง <_ t une> คือทําให้มีความนึกคิด <_ t une> จะนึกอะไรก็ปรุงอะไรก็ปรุงไป <_ t une> แต่ว่าให้มีสติควบคุมอยู่ <_ t une> ทีนี้พอมันเกิดความจานานอันนี้แล้วเนี่ยสมาธิอันนี้จะนําไปใช้ในหน้าที่การงาน และนำเอาไปใช้ในธุรกิจต่างๆได้จึงประสงค์จะให้เดินจงกรมแต่จะเดินจงกรมน้อยนั่งสมาธิมากก็ย่อมทำได้แต่ว่าในหลักสูตรที่หลวงพ่อได้ทำอยู่ในขณะนี้ก็ต้องทำให้เต็มตามหลักสูตรคือเดินขึ้นนั่งขึ้นอะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่เวลาที่ไปทำเองนั้นก็สุดแล้วแต่ทีนี้คุณคณิษฐาเนี่ยจะมีสองคณิษฐาคณิษฐาต่อไปก็คือคุณคณิษฐาทับทิมทองอาเชนกราบมา<ห>สักการณ์ท่านอาจารย์เจ<อ>้าเออสิอยากถามว่าอาการที่เกิดขึ้น แต่ละคนนั้นแตกต่างกันแต่ว่าอาการในการปิตินั้นมีกี่ชนิดกี่แบบคะอาการแตกต่างกันและอะไรหน้าที่อาการที่เกิดการปิตินั้นมีกี่ชนิดกี่แบบเจ้าคะอ๋ออาการที่เกิดปิดตินั้นมีอยู่หลายแบบบางทีทําให้ตัวของเรานี่ใหญ่เท่าต้นตาลหรือบางทีทําตัวให้ของเราให้สูงเหมือนต้นยาง หรือเหมือนกันกันกบตกลงไปใน เ, เหวลึกหรือเกิดอาการสู้ซ่าขึ้นมาในใจหรือเกิดตัวเบาเหมือนลอยอย่างนี้คืออาการของปิติทางนั้นอาการของปิติที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเราไปถึงปฐมฌานแล้ว ถึงจะเกิดปิติอันนี้ขึ้นกาเป็นคำถามนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เกิดการปิติติดเคยอ่านหนังสือเจอมีการร้องไห้มีการสั่นมีลักษณะอาการแบบนี้อาการที่ร้องไห้หรืออาการสั่นอะไรอย่างนี้อ้าอันนี้จะเป็นในความตื่นตันชนิดหนึ่งในนี้อาการสั่นนั้นจะเกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของ ระหว่างจิตที่กำลังจะเข้าไปสู่ภวังเมื่อจิตเข้าไปสู่ภวังแล้วสติเนี่ยมันกำหนดไม่ทันเมื่อกำหนดไม่ทันมันจะเกิดการสัน่นคือการควบคุมตัวไม่ได้เพราะการสั่นนั้นเราไม่ถือว่าเป็นปิติหรือว่าการร้องไห้อย่างเงี้เราไม่ถือว่าเป็นปิติแต่มันเป็นความตื่นตันอันหนึ่งที่เราไม่เคยพบแต่ไปพบเขา แต่ถ้าหากว่าร้องไห้เยอะๆก็ไม่ดีเหมือนกันขอบพระคุณมากเจ้าค่ ะ, อะขอเชิญคุณคติวัตรแจตองห้าแปดสามค่ะรัชการภาอาจารย์ค่ะคือสิดสงสัยเรื่องการกำหนดจิตว่าวิธีการเนี่ยกำหนดยังไงเพราะว่าลองจากที่ฟังอาจารย์แล้วถามพี่ๆเพื่อนๆ เ, เนี่ยเขาบอกให้จิตไปกำหนดอยู่ที่หน้าผากหรือที่ท้องน้อยหรือที่ไหนก็นแล้วแต่ ไม่สิท์ไม่เห็นจะเอาจิตไปไว้ได้เลยอะค่ะ่าคืออย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่เอาที่ไหนเลย<ม>ก็เอาเฉพาะหน้าให้อยู่เฉพาะหน้าไม่ต้องมีที่ตั้งหมายความว่าให้ใหเ้เราบอกว่าเอาจิตไว้ที่หน้าอย่างนี้ตลอดเวลาเหรออยู่ข้างหน้าก็เรียกว่าเราลู่อยู่เฉพาะหน้าเพราะเวลาที่เรานั่งแล้วนี่เราจะหลับตาเมื่อหลับตาแล้วทั้งหน้าผากทั้งหน้า อ, อกทั้งท้องน่อย มันก็จะไม่ปรากฏมันจะเป็นปรากฏเป็นอาการว่างเปล่าอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อหน้าเราอยู่กองไหนเนี่ยเราสร้างฐานจิตไป ต, ตรงนั้นใช้ได้พี่อาจารย์ออบอกว่าฐานจิตนี่หมายถึงยังไงคะเออฐานจิตนะหมายถึงเวลาที่เรานึกพุทโธเนี่ยมันจะมีผู้ผู้หนึ่งที่เป็นคนที่นึกพุทโธอย่างเนี้ยเธอผู้ที่อาการนึกพุทโธเนี่ยมันจะมีคนนึกพุทโธ มันพุดเธอมันจะไม่ออกมาเองเพราะฉะนั้นการบริกรรมมันนั่นน่ะที่เราเรียกว่าฐานของจิตมันเป็นที่ตั้งอันหนึ่งแล้วก็ฐานของจิตนี่จะมีแตกต่างกันบางคนฐานเล็กบางคนฐานใหญ่ถ้าคนไหนฐานใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีนิมิตอะไรต่างๆคนไหนฐานเล็กเร็วมากจะมีนิมิตเยอะขอบคุณค่ะ ต่อไปก็ขอเชิญคุณครมกฤตพงเวศ58ปีนี่ครมกริตจริงๆเหรอเนี่ยทำไมตัวใหญ่นะะักอะการรำลึ ก, การภาจา์ครับจะถามข้อ 1.2 ในน้ำลานะครับบอกว่าการนั่งสมาธิจำเป็นต้องหลับตาถ้าไปหลับตานั่งสมาธิในป่ามีสัตว์จะมาทำร้ายแล้วเราจะเห็นเหรอครับ ถ้าเราได้ยินเสียงแกลกๆก็ต้องลืมตาหน่อยเราจะไปหลับตาัะพืดคนจะไม่ได้ถ้าไปอยู่ในป่ารัลวตสกาครับแบบเดียวกับหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังฟานเทไปเที่อวดองครั้งแรกดงพญาเย็นอาจารย์เขาบอกว่า ถ้างูใหญ่มันมานะเสียงมันจะเหมือนฝนตกถ้างูเล็กมันเลื้อยนี่เราจะไม่ได้ยินเสียงทีนี้พอไปอยู่ในป่าเนี่ยก็ยกแผ่นขึ้นมาสูงสอกนึงแล้วก็เอาใบไม้นี่มาปกๆแล้วก็นอนพอนนอนตอนนั้ น, น, น, นประมาณเช้าคือประมาณสักแปดโมงเช้าอะไรอย่าง ก็ได้ยินเสียงมาแล้วฝนตกหรือเปล่าเออก็ไม่ตกก็เลยนั่งนอนท่องหนังสือพอท่องหนังสือทับแอซื่อมันก็ใกล้เข้ามาพอใกล้เข้ามาหลวงพ่อกับลึกขึ้นดูโอ้งูกลายเป็น ง, งูจงอางมันฉกกระวักเนี่ยเราต้องแงนขึ้นอย่างนี้ โอ้โหไอ้นี่มันกินพามได้ไงอ๋องูท่านนั่นเองปรากฏว่าหลวงพ่อคงชอไปอะ่ะเตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายายลืมหมผทรพู้โทรอะไรไม่รู้แล้ทีนี้ไม่ลืมแลทีนี้หลับตาแทีนี้ หลับตาเลยเอาหันหน้าใส่กันเป็นไงเป็นกันตายสายตายตายตายตายตายตายแล้วก็หายไปเลยไม่รู้ว่านึกตายหรือไม่ตายเราจะนึกเวลานานแล้วนะพอเราเล้กฝึกเวนานแล้วเนี่ยก็ลืมตาว่าเอะเรานี่มาจากไหนมาที่ไหนทำไมมันนั่งอยู่ตรงนี้ลืมตาเออหนูยังอยู่ <laughs> นี่นี่เพราะลืมตา <laughs> ทีนี้เอาละพุทโทรมาแล้วทีนี้ทั้งพุทโทรทั้งอาจารย์สอนยังไงนี่สวมดมนตเสร็จแล้วก็ น, นั่งจิตเนหะลวงพ่อบอกว่าให้เอาตรงนี้มาตั้งตรงนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ให้กำหนดจิตอย่างนี้ให้เกิดแสงสว่างอย่างนี้เป็นหมดทุกอย่าง จนกระทั่งนั่งไปนี่ปรากฏว่าถึงเกือบบ่ายสามโมงลืมตาขึ้นมันไปแล้วกลับคืนไปกราบพระอาจารย์อาจารย์ครับผมเกิดตายนั่นแหละมันด้ว่าแทนที่จะสงสารเรานะ <laughs> เราเกือบตาย <laughs> ก็เหมือน ก, นกันกับที่ว่านั่นแหละเพราะว่า ยังไงเสียถ้าแกลกๆก็ต้องลืมตามั่งเวลาเขาไปอยู่ในป่าแต่ว่าอยู่ที่นี่อย่าไปเชื่อลืมตาน ะ, ะนั่งอยู่ที่นี่ต้องหลับตาทุกคนก็คงจบเพราะว่าตีสะสามทีแล้ว